ของหลวงพ่อพระมงคลเทพผู้นี้สดจันทสโรหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำมาให้สาธุชนได้รับฟังกันด้วยความมัน่นมั่นใจไม่ประมาท ร, รักษาอาจคมใจไว้เป็นสีผู้ฉลาดอาจตั้งหลักพานักดีอันห่วงน้ำไม่มีมารังควาน สำหรับวันนี้อตมาภาพจะได้นำธรรมบัญญายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังในเรื่องผลดีของธรรมปฏิบัติที่ดีจะต้องให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขซึ่งนำมาจากปรรยากาศการอบรมพระกรรมฐานประจำปีจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเนื้อหาสาระของธรรมะ ที่จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขโดยพร้อมกันผลดีของธรรมะที่ดีต้องให้ผลเป็นสันติสุขปราศจากทุกข์บันเทาทุกขลงไปเรื่อยๆและบันเทาเหตุแห่งทุกขไปเรื่อยๆนั่นแหละธาตุธรรมฝ่ายดีมีสภาวะ ที่เป็นธรรมชาติเครื่องกําจัดเหตุฝ่ายไม่ดีหรือธรรมชาติฝ่ายไม่ดีที่เรียกว่าบาปอาุศลหรือทมดำฝ่ายทมดำก็ทำหน้าที่คล้ายกันกับฝ่ายขาวแต่มันทำหน้าที่ตรงกันข้ามแล้วก็ให้ผลตรงกันข้ามมีที่มาที่ไปเหมือนกันของเรามีนิพานฝ่ายบุญฝ่ายสัมมาทิฏฐิ ธรรมชาติอีกธรรมชาตินึงก็มีคล้ายๆแต่เราไม่เรียกว่านิพพานเราไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมชาตินั้นก็นแล้วกันแต่สังเกตได้ถ้าเข้าไปละเอียดละเอียดในธาตุในธรรมคือหนึ่งวันนะดำไม่ผ่องใสคุณมัวนี่ข้อหนึ่งสองใครมีอยู่ หล่อเลี้ยงอยู่ในธาตุในธรรมแล้วให้ผลสองประการเหมือนฝ่ายบุญตรงกันข้ามกับฝ่ายบุญคือให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนอย่างหนึ่งให้ผลเป็นความคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดด้วยธรรมชาตินั้นคือกิเลสวิชากัญหาอุ ป, ปาทาน พบชาติชรามรณะทุกนั่นแหละนั่นแหละธรรมชาติของเขาทรงอย่างนี้มามีที่มาเหมือนกับทางว่าฝ่ายพระเราก็มีที่มาสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยท่านเบิกบานท่านเห็นเบิกบานแล้วไม่จะเบิกบานเห็นเฉยๆท่านกําจัดไอ้ที่ว่านั้นได้ด้วยจึงมีชื่อว่าอารหังผู้ไกลาจากกิเลสหรืออรหัน ที่เราท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังกันนี่แหละคือพระนามของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ไกลจากกิเลสซึ่งมีรายละเอียดต่อไปผู้หักกรรมแห่งสังสาราได้จักได้เพราะผู้สร้างพบสร้างชาติคือฝ่ายตรงกันข้าม นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อกี้จึงพูดว่าท่านทั้งหลายอย่าไปสาคัญผิดว่าท่านเนี่ยเป็นเพียงอะไรอย่างหนึ่งธรรมดาเพียงแต่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรอย่างหนึ่งนี่ก็ยังพอใช้ได้นะไม่ยึดอยู่ในตัวตนพอสมควรคือเพียงแต่เป็นก้อนธาตุก้อนธรรม ปรุงแต่งผสมกันอยู่ในสภาวะพอเหมาะเป็นตัวเป็นตนแต่ว่ า, าธาตุที่เราเห็นทำที่เราเห็นแสดงอยู่นี้มันมีาธาตุละเอียดที่คอยปรุงแต่งอยู่คอยสอดที่เป็นทั้งที่เป็นบุญกุศลและบาปอกุศลเข้ามาอยู่แย่งกันเชียวเหมือนแย่งเก้าอี้ดนตรีมันอยู่ที่ว่าสัต โลกจะเปิดเครื่องรับสายไหนเปิดเครื่องรับสายบุญก็ทราบซึ่งในเรื่องบุญกุศลในเรื่องความถูกต้องด้วยปัญญาเห็นชอบก็ประพฤติไปตามนั้นแต่ถ้ามันประกอบด้วยฝ่ายบาปอางกุศลมันก็คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดนี่แหละมันมีที่มาที่ไป เมื่อผิดแล้วก็ส่งผลหรือส่งเหตุที่ปฏิบัตินี้เข้าไปสู่ต้นเหตุในที่สุดละเอียดของต้นท่าต้นทำถ้าฝ่ายบาปอกุศลก็เป็นฝ่ายทำดำบุญกุศลก็ฝ่ายทำขาวและเขาก็ปรุงผลออกมาเป็นวิบากวิบากมีอยู่สองอย่างคร่าวๆให้จำไว้คือธรรมชาติที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นอย่างหนึ่ง เป็นบาปก็กิเลสอวิชชาตันหาอุปทานเป็นบุญก็ศีลสมาธิปัญญาอธิศีนอาธิจิตอธิปัญญาปฐมมรรคมรรจิตมรรปัญญาทำโกตรภูโสดาพระสกิตาคานาคารหัดถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเข้านิโรธคำนวณรู้ที่ตรัสรู้ในนิโรธของพระุทธเจ้านั่นทำฝ่ายบุญฝ่ายคุณส่สอนละเอียดเข้ามาอีกประการหนึ่งคือผลเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ฝ่ายบุญก็ให้สุขฝ่ายบาปก็ให้ทุกข์ ฝ่ายบุญก็พยายามเปิดวันนี้พานมีฝ่ายบากปาาบาก็ปิดวันนี้พานไม่มีให้หลงไปให้เข้าไม่ถึงให้ไม่เห็นให้เป๋ไปไปแม้จะมีปริยัตเป็นพระพุทธวจนะแสดงอยู่ก็เขว้ไขกันไข้เขวเนี่นยเขาละฝ่ายบาปอาคุศลที่เขาทำเช่นนั้นทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้แล้ว เราเข้าใจอย่างนี้แล้วให้เข้าใจสำคัญนะที่อาตมานเน้นไว้ทุกท่านนั่นแหละมีหน้าที่ช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่นแต่ว่าเรื่องช่วยผู้อื่นถ้าใครยังนึกไม่ถึงยังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ให้ช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองเต้องช่วยตลอดเวลาทำไมจึงต้องช่วยก่อนไหนว่ามาดีแล้วไงก็มาดีมันถูกธาตุธรรมมันถูกคนเป็นด้วยภาคมารเขานี้แหละจึงต้องช่วยตัวเองกาจัดมารก่อน มานนะกิเลสมานกิเลสมานซึ่งเป็นต้นเหตุของต้นเหตุของขันธมานกิเลสมนนะันคงรู้ทุกคนคือกิเลสมานคือกิเลสขันธมานเอาจะขันห้านี่แหละมันต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตานี่แหละไอ้เจ้านี่ โดยเฉพาะอย่างเกิดแก่เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยตายลงท้านไม่มีอะไรเลยโมดไอเจ้าขันธมารนนมาจากกิเลสมานนั่นแหละทำให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดมีผลที่ปรุงออกมาดีชั่วหยาบละเอียดดีเลวหรือประนีตหยาบกว่ากันตั้งแต่เป็นมนุษย์ละเอียดขึ้นไปถึง เทพยาดาพรหมมรุปประพรมนี่ฝ่ายสุกติฝ่ายทุกติต่ำลงไปเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่แหละเขาปรุงขึ้นมาเป็นสังขารสังขารมานสังขารมานแล้วเป็นยังไงมัดจุมานทีนี้ตายไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่คุณความดีหรือความชั่ว ที่จะติดตัวไปเป็นธรรมที่จะนำไปให้เกิดธรรมชาตินะที่จะนำไปให้เกิดถ้าด้วยมนุษยธรรมก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าด้วยเทวธรรมก็ได้นำไปเกิดเป็นเทพยาดาพรหมธรรมก็ได้นำไปเกิดเป็นพรหมและอรุปพรหมและธรรมทั้งหลายนั้นแม้เมื่อเกิดมาแล้วอย่างเป็นมนุษย์นี้มีคุณธรรมนี้ก็มีการเกิดดับอยู่ณภายใน เหมือนกันและหน้าภายในนั่นแหละปรุงจิตปรุงใจของสัตว์โลกที่มีคุณธรรมอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นเพราะกายเนื้อมันยังปรุงไม่ได้แต่ก็ปรุงได้บางส่วนเป็นวิบากขันเป็นผลนี่เป็นอย่างนี้นะนี่พูดอย่างคร่าวๆแต่ส่วนบาฝ่ายบาอากุศนก็เป็นอีกตรงกันข้าม ทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงหน้าที่ของเราจะช่วยตัวเองจะช่วยผู้อื่นช่วยตัวเองได้ยังไงก็ต้องช่วยต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติพระสัตยธรรมในทานกุศลในศีลกุศลในภาวนากุศลซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้นะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ย สั่งสอนสืบต่อต่อกันมาแม้จะมีพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตในอดีตปัจจุบันอนาคตนี่นับไม่ท้วนว่าให้ละชั่วนั่นศีลละเอียดเข้าไปเป็นอกุศลกรรมบทละเอียดเข้าไปก็เป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดละเอียดมีอาสวะและอลูกสายกิเลสเป็นต้น นี่ละชั่วด้วยกายวาจาใจเมื่อละด้วยทานละด้วยศีลละด้วยสมาธิละด้วยปัญญาก็จะเป็นวิมุตติมุติยานทัศนะทีนี้ทำดีละ่ะด้วยกายวาจาใจตั้งแต่ทานกุศลทีเดียวทานกุศลทานกุศลทั้งอมิตรทานเสียสละขาดจากใจความสุขส่วนตัว แม้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์และเพื่อช่วยตัวเองการเสียสละเพื่อช่วยตัวเองนี่ระวังให้ดีนะบางทีเราเสียเงินเสียทองไปในสิ่งที่ไม่ได้ช่วยเราแต่กลับเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่เราก็มีในทางที่ไม่ดีหรือกลับไปช่วยมารก็มีนะไปช่วยมารให้กล้าแข็งก็มีนะ สัพสินของเราเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาเราเนะเช่นถ้าเราเสียสละปัจจัยเสียสละกําลังกายสติปัญญาความสามารถไปเพื่อบุคคลหรือไปเพื่อคณะบุคคลที่เป็นโทษก็ไปเพิ่ม อาสะวะกิเลอสอะลุกใสทั้งให้แก่ตนเองและก็ทั้งไปเพิ่มให้แก่ผู้อื่นให้ภาคมารมีกำลังกล้าแข็งขึ้นเมื่อภาคมารมีกำลังกล้าแข็งขึ้นภาคพระก็มีกำลังน้อยลง เหมือนแย่งเก้าอี้ดนตรีนีแม้ทานกุศลยังต้องใช้ปัญญานะแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าการให้ทานถ้าตั้งใจให้เป็นทานด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาทำแก่สัตว์โลกนับตั้งแต่แม้กระทั่งไอตัวเล็กตัวน้อย อยู่ตามน้ำครัมที่เราจะเทเศษอาหารไปให้ก็ยังได้อานิสงค์คำว่าอานิสงค์นี่ได้คุณความดีผลสะท้อนย้อนกลับมาเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงสแสดงว่าถ้าทานกุศล น, นั้นบำเพ็ญกับผู้ที่ปฏิบัติเอง เพื่อชำระขัดเกลากิเลสตนเองและยิ่งผู้ที่ช่วยผู้อื่นมากและสูงขึ้นไปเพียงใดเพื่อชำระ ก, กิเลสเหตุแห่งทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากให้ผลภัยบูญมากตามส่วนนี่ไม่เท่ากันนะและยังทรงแสดงต่อไปอีกด้วยว่า การให้ทานผู้มีปัญญายังต้องเลือกนะเพราะการให้ทานแก่บัณฑิตบัณฑิตนี่หมายเอาผู้รู้รู้จริงๆพอสมควรรู้แล้วต้องทำด้วยนะไม่ใช่รู้แต่ปากบางทีสอนคนได้แต่ตัวเองทำไปอีกอย่างหนึง่งเพลอเคนมองไม่เห็น รู้นี่หมายถึงผู้รู้และทําด้วยจึงชื่อว่าบัณฑิตนะรู้ประโยชน์ปัจจุบันว่าทําแล้วจะเป็นความดีเป็นความสุขอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้รู้ประโยชน์อนาคตว่าทำดีไปแล้วมันจะให้ผลอย่างนี้นี้นตามที่เป็นจริงไม่บิดไม่เบี้ยวบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่รู้นะประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อนาคตจึงชื่อว่าบัณฑิตรู้แล้วไม่ใช่รู้เฉยเฉยบัณฑิตนี่ไม่ใช่รู้เฉยเย ถ้ารู้เฉยๆแปลว่าบัณฑิตแบบที่เรียนหนังสือมาเรียนจบมาแล้วจะเป็นคนดีคนชั่วไม่รู้แต่ได้บัณฑิตเหมือนกันแต่ในทางทมนี่บัณฑิตรู้แล้วยังต้องทำด้วยทาจนเป็นปกติของตัวไม่มีซ่อนเงื่อนซ่อนปมไม่มีรับลมคมในใดๆทั้งสิ้นบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและใจยิ่งๆขึ้นไปนั่นแหละ อันนี้แหละบัณฑิตโดยธรรมทีนี้ธรรมะปฏิบัติเนี่ยเรามุ่งไปสู่ความเป็นบัณฑิตโดยธรรมและผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อไปสู่คุณธรรมของบัณฑิตของสัพปุรุษ นั่นแหละเป็นกิจที่เราควรทำและกิจที่เราควรบำรุงทารูุบำรุงเมื่อทารูุบำรุงกิจกรรมก็ดีทารูุบำรุงบุคคลก็ดีกิจกรรมของคณะบุคคลหรือทารู้ทำรู้บำรุงบุคคลก็ดีที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อกระจัดขัดเกลากเกลิตนและช่วยผู้อื่น บุคคลอย่างนั้นคณะบุคคลอย่างนั้นชื่อว่าบัณฑิตอันนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้มีปัญญาพึงเลือกให้ทานกับบุคคลประเภทนี้เพราะว่าเมื่อยามคับขันตกทุกข์ได้ยากแล้วย่อมได้ที่พึ่งหรือสหายอันประเสริฐ นี่สำคัญนะนที่พึ่งอันประเสริฐนี่มันไม่ได้ดูที่อะไรมันดูที่กิริยาวาจาการกระทำตลอดไปถึงใจเจตนาความคิดอ่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่พึ่งของเรานะ่บางทีเรานึกว่านี่ที่พึ่งประเสริฐแล้วเราเข้าไปที่ไหนได้หนีเสือป่จอาจระเข้ ท่านทั้งหลายเคยได้ยินทางโลกบางทีเราคบคนเรานึกว่าดีแล้วที่ไหนเจอคนปอกลอกหรือว่าไปทำการค่ากับใครก็ถูกเขาโกงทำอะไรอะไรมันคอยจะมีเรื่องโกงแม่แต่มีลูกหลานลูกหลานมันยังมาช่วยโกงเราทําทำลายพ่อแม่มีนี่เพราะทำบุญกับบุคคลที่ไม่ใช่บัณฑิต ไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐไม่ได้สหายอันประเสริฐแม้แต่ที่พึ่งหรือสหายในทางธรรมท่านคิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์นี่ได้ทรงแสดงไว้นะว่าการทำทานกุศลอย่างเดียวยังต้องคิดยังต้องคิดเพราะว่าถ้าทำกับบัณฑิตหรือสัพปรุษย่อมเมื่อมี เหการคับขันเดือดร้อนย่อมได้ที่พึ่งอันประเสริฐเนี่ยสำคัญนะและถ้าหากว่าใครทำบุญทำกุศลกับผู้ที่เป็นคนผานผานนี่แปลว่าอ่อนด้วยสติปัญญาถ้าทำบุญอย่างนั่นแล้ว เมื่อยามคับขันตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจะไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐเพราะคบคนผานผานย่อมไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตย่อมพาไปหาผลนี่ธรรมดาพระพุทธองค์จึงทรงแสดงไว้อีกกำชับเลยนะเรื่องการเลือกบัณฑิตเลือกคนผานหลีกเลี่ยงคนผานให้เข้าหาบัณฑิตแม่ท่านแสดงไว้นัตถิพาเลสหายตา มันมีบาลีมายาวก็มีคําว่าหินัติภาเลสหายตาอันว่าความเป็นสหายในคนผานย่อมไม่มีอ๋อฮิแปลว่าเพราะว่าเพราะว่าสหายตาอันว่าความเป็นสหายภาเลในบัณฑิตนัติย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่า ไปก็เดินคนเดียวซะดีกว่าถ้าหากไม่มีคนที่เป็นบัณฑิตหรือเสมอกับเราเป็นเพื่อนอย่ามีเลยคนผ่านความจริงมีเรื่องที่จะเล่าเวลามันหมดไม่งั้นจะเล่าชาดกให้ฟังสั ก, กหน่อยน่าฟังเรื่องพระจักขุป า, าละเถระเป็นเรื่องน่าฟังวันหลังจะเล่าให้ฟังที่ มีพระธรรมข้อนี้ออกมาพระธรรมข้อนี้นั้นมีมาจากพระจักขุบาลพระอระหันต์ผู้มีจักขุอันบอดนะแล้วภายหลังพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงยืนยันคำนี้ว่านัตถิพาเลสหายตาจำไว้เจ้าคำนี้นี่ไทยเราก็ง่ายๆ เป็นคำพูดง่ายๆฟังง่ายๆคบคนผานผานไปหาผิดคบบันดิตบันดิตพาไปหาผลต้องดูให้ดีนะแต่ก่อนที่จะรู้จักอะไรเป็นผานอะไรเป็นบันดิตโยมต้องเข้าใจก่อนนะรู้จักที่ตัวเองนี่ก่อนไอ้นี่อาตมาจะขอสรุปไว้คือความเป็นผานในตัวเรามีเท่าไหร่ให้เอาออกให้หมดมากเท่าไหร่เราจะเห็นความเป็นบัณฑิตและรู้จักบัณฑิตภายในมากเท่านั้น พ่านในตัวเราคืออะไรปัญญาอ่อนนะอ่อนอะไรมันชอบหลงผิดผิดตัวนี้สำคัญหลงผิดผิดมีอวิชชาเป็นต้นเข้าก่อให้เกิดความโลภตัณหาราคะไม่มีที่สิ้นสุดจำไว้ตัณหาเนะี่ยคือโลภไม่มีที่สิ้นสุดท่านจำไว้ท่านเห็นตรงไหนเราเชื่อให้ระวังนะกำจัดตัวเองซะก่อนแล้าจะเห็น โสะไปจนถึงอิจฉาริษยาก็เรื่องสำคัญและโมหะไปจนถึงมานะทิฐิหลงตนสำคัญนะักเพราะฉะนั้นกำจัดผ่านภายในตัวเรานี้ให้ได้มากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะรู้จักมานภายนอกได้เท่านั้นเพราะความเป็นบัณฑิตจะเกิดขึ้นที่ใจเรา แล้วความบันดิตนี่แหละมันเป็นบรรทัดวัดอะไรที่ไม่ถูกต้องตามเส้นนี้แล้วก็มันเห็นชัดอาตมาได้ฝึกตนมานั่นก็ไม่เรียกว่าได้ดีที่สุดแต่ก็พอได้ดีบ้างเมื่อได้ดีเพียงใดแล้วมันเหมือนกับขีดเส้นเหมือนกับขึงเส้นได้จากนี่ไปนี่พานเนี่ยมันขึงเอาไว้ เห็นเป็นมันมันเส้นตรงมันอยู่อย่างนี้เมื่อขึงไว้แล้วเราก็เดินตามไต่ตามเส้นนี่แหละเราเดินไปเรื่อยๆ เ, เข้าไปเรื่อยคนเดินคนอื่นเมื่อเดินเราย่อมเห็นว่าเขาเดินตรงทางหรือเบี้ยวทางถ้าท่านกำจัดความเป็น่านออกจากตนได้มากมาก สร้างความเป็นบัณฑิตให้แก่ตนมากๆแล้วจะเห็นเลยไม่ต้องไปถามใครแล้วเราจะไม่หลงแล้วเราจะประกอบทานกุศลได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วบุญบารมีซึ่งทานบารมีอุปบารมีปรมาบารมีจะเจริญจเจริญจเจริญจเจริญนี่ก็ต้องฟังให้ดีนะไม่จะ่เจริญทางวัตถุนะ จเจริญที่จิตใจที่เสียสละเสียสละขาดจากใจของเราไม่ยึดไม่ติดไม่สะสมไม่มุ่งความสุขส่วนตนตรงนี้สำคัญดูให้ดีไม่ใช่วัตถุที่เห็นจเจริญขึ้นมาไม่ใช่แต่ถ้ามันมีวัตถุให้พึงเข้าใจให้พึงเห็นให้พึงดูว่าวัตถุนี้เป็นไปเพื่อความสุขของผู้ที่แสวงหาหรือเปล่าหรือเป็นไปเพื่อส่วนรวม เพื่อขจัดขัดเกลากิเลสท่านดูประเด็นตรงนี้ถ้าท่านดูตรงนี้ได้แล้วก็แจมแจ้งนั่นแหละอุปบาบารมีท่านเกิดแล้วถ้าตรงนี้ไม่แจ้งยังมังุ ม, มังหะร้าอยู่ต้องทําทานบารมีให้มากๆโดยประการทั้งอามิตรสถานที่เป็นวัตถุสิ่งของและธรรมทานการให้ทำเป็นทานปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลงหลงตัวหลง ต, ลงตนแล้วก็ หลงรักหลงชังหลงราบสักการะหลงโลภราคะปัญหาโทสะทัพทวีโมหะเป็นมานะทิฏฐินี่กำจัดอย่างนี้ปฏิบัติธรรมะเป็นอย่างนี้แล้วรู้เห็นแล้วก็เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเป็นยังไงสบายมันไม่มีเหตุแห่งทุกข์หรือมันมีน้อยลงน้อยลงแล้วทุกข์มันก็ไม่เกิดมันไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจพระพุทธองค์ท่านเรียกวิปัสสนา ไม่เดือดเนื้อร้อนใจทำไมอย่างนั้นไม่ได้นะร้อนใจนะร้อนใจไม่พอเดี๋ยวร้อนกายยุ่งมันใหญ่ร้อนกายก็ร้อนหลายรูปแบบนั่นแหละนี่แหละตัวกิเลสละตัวกิเลสมารมีผลให้เกิดทุกเนียเอาละวันนี้พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้พูดเรื่อยเปื่อยไปแต่กล่าวโดยสรุปว่าท่านทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อมุ่งมักผลนิพพานด้วยกันทั้งสิ้นปูชาจากปูชนียาเอตัมมังคลมุตตัมมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานนอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและ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 สาธุชนกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลวันนี้รายการธรรมะส่สันติได้ให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนมาพอสมควรแก่เวลาก่อนจากกันวันนี้ขอเชิญท่านสาธุชนตั้งใจงดเว้นอบายยมุขทั้งปวงตั้งใจทําคุณงามความดีให้ถึงพร้อมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ชีวิตของตนและครอบครัว สำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระัทธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทิดเจริญพร